ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่าศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียเพรเผากิเลสอย่าได้ประมาท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 1. เนื้อนาบุญเกิดจากองคศามีศีลเป็นต้น 2. เนื้อนาบุญเกิดจากการมีสังวร 3. เนื้อนาบุญเกิดจากการเป็นอยู่ชอบ 4. เนื้อนาบุญเกิดจากการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลส 5. เนื้อนาบุญเกิดจากการไม่เป็นท่าตัณหา 6. เนื้อนาบุญเกิดจากการพิจารณาเห็นธรรม7 เนื้อนาบุญเกิดจากการไม่ลืมคำปฏิญาณ 8. เนื้อนาบุญเกิดจากการหมดพิษสงทางใจ 9. เนื้อนาบุญเกิดเพราะได้รับฝึกตามลำดับ 10. พินัยกรรมของพระสังฆบิดา ทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่สิบก้าว่าด้วยเนื้อนาบุญของโลกเนื้อนาบุญเกิดจากองค์สามมีศีลเป็นต้นภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันธีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสามอย่างแล้วย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพานะได้และนับว่าเป็นของคู่บารมีของพระราชาด้วยองค์ประกอบสามอย่างอะไรบ้างเล่า สามอย่างเพอม้าอาชาในพันดีของพระราชาในกรณีนี้เป็นม้าสมบูรณ์ด้วยสีหนึ่งสมบูรณ์ด้วยกําลังหนึ่งสมบูรณ์ด้วยความวัยหนึ่งภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสามอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพานะได้และนับว่าเป็นของคู่บารมีของพระราชาด้วยภิกษุทั้งหลาย ชั้นใดก็ชั้นนั้นภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบสามอย่างแล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าองค์ประกอบสามอย่างอะไรบ้างเล่าสามอย่างคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสีหนึ่งสมบูรณ์ด้วยกาลังหนึ่งสมบูรณ์ด้วยความไวแห่งปัญญาหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสีเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมขสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโครจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่เถากันว่าเป็นโทษเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิบขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสี ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละสิ่งอันเป็นอกุศลทั้งหลายเพื่อยังสิ่งอันเป็นกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังแข็งขันทําความเพียรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้แลชื่อว่า เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยองกำลังภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความวัยแห่งปัญญาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าเหตุให้เกิดทุก์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นเช่นนี้เช่นนี้ ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นเช่นนี้เช่นนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความไวแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบสามอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทําบุญควรทําอัญเชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเอื่นยยิ่งกว่าเนื้อนาบุญเกิดจากการมีสังวรภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบหกอย่างแล้ว ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเอื่ยิ่งกว่าองค์ประกอบหกอย่างอะไรบ้างเล่าหกอย่างคือภิกษุในกรณีนี้หนึ่งได้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิตมัธยัติเป็นกลางมีความระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำสอง ได้ฟังเสียงด้วยหูแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิ ต, ตจ ม, จมัธยัตเป็นกลางมีความระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำสามได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิตมัธยัตเป็นกลางมีความระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำสีได้ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิตมัธยัตเป็นกลาง มีความระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำหได้สัมผัสโผฏฐะด้วยกายแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิตมัทยัดเป็นกลางมีความระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำหกได้รู้ธรรมารมด้วยใจแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิตมัทยัดเป็นกลางมีความ ร, ลระมมรลึกได้และรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบหกอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทาบุญควรทาอัญชิีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเอื่นยิ่งกว่า บุเก er ิดจากการเป็นอยู่ชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวไหลเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วนภิกษุทั้งหลายภิกษุสง์ประเภทเดียวนี้เท่านั้นภิกษุบริษัทประเภทเดียวนี้เท่านั้นเป็นบริษัทที่หาดูได้ยากในโลก ภิกษุทั้งหลายภิกษสสุสงฆ์ประเภทเดียวนี้เท่านั้นภิกษุบริษัทประเภทเดียวนี้เท่านั้นเป็นบริษัทที่ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทําบุญควรทําอัญเชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเอื่อยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์ประเภทเดียวนี้เท่านั้นภิกษุบริษทรัทประเภทเดียวนี้เท่านั้นเป็นบริษัทที่ทายุคถวายทานด้วยเสิยงของเล็กน้อย แต่กลับมีผลมากทายุคถวายทานเป็นอันมากผลก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามส่วนภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์ประเภทเดียวนี้เท่านั้นภิกษุบริษัทประเภทเดียวนี้เท่านั้นเป็นบริษัทที่ควรจะไปดูไปเห็นแม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยโยตโยตหรือถึงกลับต้องพาเอาห่อสเบียงไปด้วยก็ควรภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์ประเภทเดียวนี้เท่านั้น ซึ่งพวกพิกษุพูดถึงความเป็นเทพก็มีอยู่ในพิกษุสงฆ์นี้พวกพิกษุพูดถึงความเป็นพรหมก็มีอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้พวกพิกษุพูดถึงอเนญชาก็มีอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้พวกพิกษุพูดถึงความเป็นอริยะก็มีอยู่ในพิกษุสงฆ์นี้พิกษุทั้งหลายพิกษุพูดถึงความเป็นเทพเป็นอย่างไรเล่าพิกษุทั้งหลายพิสูในธรรมวินัยนี้ เพราะสังหจากกรามและสังหจากสิ่งอันเป็นอกุศลทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารณมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองกลาเป็นเครื่องพ่องใสแห่งใจในภายในทําให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารณมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้ว แ, แลอยู่ เพราะความจางไปแห่งปิติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งสมนัติและโทมนัติในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระโอเบคาแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงความเป็นเทพย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงความเป็นพรหมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้แผ่จิตเอบประกอบด้วิเมตากโรณาโมทิตาโอเบคาสู่ที่ ท, ที่หนึ่งที่ที่ทสองที่สามและที่สี่ โดยลักษณะอย่างเดียวกันตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่าและด้านขวางด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตากราุณามมทิตาอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณมิได้แล้วแลอยู่ภิกสุทั้งหลายภิกสุพูดถึงความเป็นพรหมย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลพิษุทั้งหลาย ภิกษุพูดถึงอเนญชาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะผ่านพ้นการกำหนดหมายในรูปเสียได้เพราะความด่าแ่งการกำหนดหมายในอารมณ์ที่ขัดใจและเพราะการไม่ทำในใจซึ่งการกำหนดหมายในภาวะต่างๆเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากาศสาร น, นัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่ เาพราะผ่านพนาาน้นอากาสารนัญญายตนะเสได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่เพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้แล้วแลอยู่เพราะผ่าน พ, น พ, นพนญญาน้นา i, าอาอกินจนยย נה, ัญญาทตนเสไได้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 กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการสังวรภิกษ als, ุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้ด้วยการสังวรหนึ่งกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการเสพภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพหนึ่งกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการอดกลั้นหนึ่ง กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นหนึ่งกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทาหนึ่งกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยภาวนาภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยภาวนาหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการสังวรซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการสังวรเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์เคราตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นอินทรีย์ที่เมื่อภิกษุไม่สำรวมแล้ว กิเลเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแขนและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุสัมรวมแล้วเป็นอยู่กิเลเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแขนและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่สัมรวมด้วยอาการอย่างนี้กิเลเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแขนและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้น และเมื่อภิสษุสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องครับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิสษุนั้นภิสษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่านี้แหลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการสังวรซึ่งพิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรภิกษุนทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใด จะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสภเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกพายแล้วจึงนุ่มห่มจีวรเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสเหลบยุงลมแดดสเสือคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ให้ความอายกาเริบ เธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคบินทบาทไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อไกยนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าเรจาจะ ก, กาจัดเวทนาเก่าคือหิวเสียแล้วไม่ทาเวทนาใหม่คืออิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดาเนินไปได้ ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่พาสุกสำราญจักมีแก่เราเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยเสนาสะนะเพียงเพื่อบาบัดความหนาวเพื่อบาบัดความร้อนเพื่อบาบัดสัมผัสเหลือบยุงลมแดดสัตว์สือคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายแต่ฤดูและเพื่อความเป็นผู้ยินดีในการหลีกเล้นอยู่เธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคยยา ซึ่งเป็นปัจจัยเกลื่อกูรแก่คนไข่เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธต่างๆและเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่ต้องทนทุกข์เป็นอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่พิจารณาแล้วเสพด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแขนและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุพิจารณาแล้วจึงเสภอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตทั้งหลาย อันเป็นเครื่องคับแขนและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แหลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการเสภซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเสภภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรเล่า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 ไม่เป็นที่สบายใจหรือจูนจะถึงแก่ชีวิตได้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อพิกษุไม่อดกลั้นอดทนด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อพิกษุอดกลั้นอดทนอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่พิกษุนั้นภิกษุทั้งหลาย กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยกคายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างดุม้าดุโคดุสุนักดุงูหลักตอขวากน้ําห้วยเหวบ่อของโสโครกลุมอุจระและงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ไม่ควรไปและการคบพวกเพื่อนที่ลามกอันวินยูชนเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายจัดไว้ในฐานะที่ต่ําสามภิกษุนั้นพิจารณาโดยแยกคายแล้วย่อมงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่ง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 กิเลสเป็นเครื่งรองเศร้ามองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการงดเว้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบันเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งกลามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอันบังเกิดขึ้นแล้วและย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบันเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่บรรเทาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคลับแขนและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุบรรเทาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคลับแขนและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการบรรเทา ซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการบันเทาภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยภาวนาซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยภาวนาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วย่อมอบรมสติสัมโพชฌงย่อมอบรมธรรมวิจยะสัมโพชฌงย่อมอบรมวิริยะสัมโพชฌง ย่อมอบรมปีติสัมโพชงย่อมอบรมปัสสิสัมโพชงย่อมอบรมสมาธิสัมโพชงย่อมอบรมอเปขาสัมโพชงอันแต่ละอย่างแต่ละอย่างย่อมอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความปล่อยภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่ภาวนาด้วยอาการอย่างนี้ กิเลเป็นเครื er ่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคลับแขนและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุภาวนาอยู่กิเลเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคลับแขนและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยภาวนาซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยภาวนา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 บุญอันเกิดจากไม่เป็นท่าตันหาภิกษุทั้งหลายม้าอาชานายพันธีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหกอย่างแล้วย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพานะได้และนับว่าเป็นของคู่บา ร, รมีของพระราชาด้วยองค์ประกอบหกอย่างอะไรบ้างเล่าหกอย่างคือม้าอาชานายพันธีของพระราชาในกรณีนี้หนึ่ง เป็นม้าอดทนต่อรูปทั้งหลายสองเป็นม้าอดทนต่อเสียงทั้งหลายสามเป็นม้าอดทนต่อกลิ่นทั้งหลายสี่เป็นม้าอดทนต่อรสทั้งหลายห้าเป็นม้าอดทนต่อสัมผัสทางกายทั้งหลายหกเป็นม้าสมบูรณ์ด้วยกําลังภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันธีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหกอย่างเหล่านี้แล้ว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 หกอย่างคือภิกสุในกรณีนี้ 1. เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วใจของรูปทั้งหลาย 2. เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วใจของเสียงทั้งหลาย 3. เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วใจของกลิ่นทั้งหลาย 4. เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วใจของรสทั้งหลาย 5. ้า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 เกิดจากการพิจารณาเห็นธรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเจ็ดจำพวกอะไรบ้างเล่าเจ็ดจำพวกคือภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ มีปกติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่มีความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความไม่เที่ยงเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงถือเอารอบอยู่ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาบุคคลนั้นเร้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อหาอาสวมิได้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 กำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความไม่เที่ยงเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงเธอเอารอบอยู่ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาบุคคล น, นั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัโยชน์เบื้องต่ำห้าเป็นอันตราปรินิพพายีบุคคลภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรเก่ของต้อนรับควรเก่ของทำบุญควรทำอัญชลี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 มีปกติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่มีความกาหนดหมายในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำกาหนดรู้พร้อมเฉพาะในความไม่เที่ยงเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่าเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงถือเอารอบอยู่ซึ่งทานั้นด้วยปัญญาบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญญอ์เบื้องตามหาเป็นอสังขาระปรินิพพายีบุคคลภิกษุทั้งหลาย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 กำหนดรูปพร้อมเฉพาะในความไม่เที่ยงเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาาตบบกพร่องในความไม่เที่ยงเธอเอารอบอยู่ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาบุคคล น, นั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญญชดเบื้องต่ำหเป็นสัสังขาระปรินิพพายีบุคคลภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นบุคคลที่หซึ่งเป็นผู้ควรเก่ของบูชาควรเก่ของต้อนรับควรเก่ของทำบุญควรทำอัญชลี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 ภิกษุหนึ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลเจตจำนพวกเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรเก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเอื่นยิ่งกว่าเจตจำนพวกอะไรบ้างเล่าเจตจำนพวกคือภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่ละถึง ข้อความต่อไปของสูตรนี้เป็นไปทำนองเดียวกันกับสูตรก่อนพิกกันแต่สูตรนี้กล่าวถึงความเป็นทุกข์แทนที่จะกล่าวถึงความไม่เที่ยงผู้อ่านอาเติมข้อความไม่เต็มได้ด้วยตนเองโดยใส่คำว่าความเป็นทุกข์แทนคำว่าความไม่เที่ยงเท่านั้นจึงไม่เรียงไว้ตลอดทั้งสูตรในที่นี้อีสูตรหนึ่งพิุทั้งหลาย บุคคลเจ็ดจำพวกเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญเชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเอื่นยิ่ยงกว่าเจ็ดจำพวกอะไรบ้างเล่าเจ็ดจำพวกคือภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่ละถึงข้อความต่อไปของสูตรนี้ ก็เป็นไปทำนองเดียวกับสูตรแรกผิดแต่สูตรนี้กล่าวถึงความเป็นอนัตตาแทนที่จะกล่าวถึงความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ผู้อ่านอาจเติมข้อความให้เต็มได้ด้วยตนเองจึงไม่เรียงไว้ตลอดทั้งสูตร สูตหนึ่งพิสูทั้งหลายบุคคลเจเจมพวกเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญฉชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเอื่ยนยิ่งกว่าเจดจมพวกอะไรบ้างเล่าเจดจมพวกคือพิษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นสุขในนิพพานเป็นอยู่ มีความกําหนดหมายในความเป็นสุขอยู่เป็นประจำกําหนดรู้พร้อมเฉพาะในความเป็นสุขเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ําเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความเป็นสุขเธอเอารอบอยู่ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาบุคคลนั้นได้กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลาย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 เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญญอดเบื้องต่ำห้าเป็นอันตราปรินิพายีบุคคลที่สซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเอื่นยิ่งกว่าบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญญอดเบื้องต่ำห้าเป็นอุปหัจจะปรินิพายีบุคคลที่สซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าบุคคลนั้น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 บุคนแปจำพวกเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทาบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเอื่นยิ่งกว่าแปจำพวกอะไรบ้างเล่าแปดจำพวกคือหนึ่งพระโสดาบัน 2. พระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพัน์สพระสกะทาคามีส พระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล 5. พระอนาคามี 6. พระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 7. พระอรหันต์ 8. พระผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ภิษุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกเหล่านี้แลเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญเอื่อยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วสีจำพวกและผู้ตั้งอยู่ในผลแล้วสีจำพวกนี้แหละสงที่เป็นคนตรงเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีลย่อมกระทำให้เกิดบุญอันเนื่องด้วยอุปธิแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการด้วยบุญกระทำการบูชาอยู่ทานที่ให้แล้วในสงจึงมีผลมาก บุญเกิดจากการหมดพิษสงทางใจภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างแล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเอื่นยิ่งกว่าองค์ประกอบ5้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือภิกษุในกรณีนี้หนึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล สองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิสามเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาสี่เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติห้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะอีกสูตรหนึ่งหนึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยศิลขันธ์อันเป็นอาศะสองเป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอาศะสามเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอาศะส เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติขันอันเป็นอเศัค่ะ 5. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติยานทัศนขันอันเป็นอเศัค่ะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทําบุญควรทําอัญเชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า บุญเกิดเพราะได้รับการฝึกตามลําดับพัททาลิพวกเธอยังมีอะไรอะไรน้อยนักครั้งเมื่อเราได้แสดงธรรมปริยายเปรียบด้วยมาอาชายนายหนุ่มให้แก่พวกเธอทั้งหลายโดยสมัยนั้นเธอยังระลึกอุปมาเรื่องนั้นได้อยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุปมาเรื่องนั้นข้าพระองค์ระลึกไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะพัททาลิในข้อที่ระลึกไม่ได้นั้น เธออาศัยอะไรเป็นเหตุเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าข้าพระองค์นั้นไม่ได้ทำให้สมบูรณ์ด้วยสิกขาในคําสั่งสอนของพระาศาสดามาสิ้นเวลา น, านานนักหนาแล้วพระเจ้าข้าพัทธาลินั่นไม่ใช่เหตุนั่นไม่ใช่ปัจจัยดอกที่แท้นั้นเราคอยจับดูใจของเธอด้วยใจของเรามานานช้าจนทราบว่าโมฆะประุษผู้นี้เมื่อเรากาลังแสดงทำอยู่ ก็หาได้ทำตนให้เป็นคนมีความต้องการด้วยธรรมไม่กลับไม่สนใจไม่ประมวลเอาเข้ามาด้วยใจทั้งหมดไม่เงี่ยโสดลงฟังธรรมดังนี้พัทธาลิก็แต่ว่าเราจะแสดงธรรมปริยายเปรียบเรื่อมาอาชาในหนุ่มให้แก่เธอซ้ำอีกเธอจงฟังธรรมปริยายนั้นทาในใจให้สาเร็จประโยชน์เถิดเราจะกล่าวบัตดนี้เมื่อท่านพัทธาลิทูลสนองพระพุทธรรรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสพระพุทธวจนะนี้ต่อไปว่าพัทาลิเปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้สามารถได้มาอาชาในพันดีมาแล้วในชั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบางเหียนก่อนเมื่อมานั้นถูกฝึกให้รู้จักการรับสวมบางเหียนอยู่พยศต่างๆที่มาประพฤติเป็นฆาสึกเป็นหลักต่อเสพผิดดิ้นรนเหมือนลักษณะของมาที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้นก็ยังมีอยู่บ้าง ม้านั้นเพราะถูกฝึกเนืองเนืองและถูกฝึกซ้ำๆซากซ่าเข้าก็หมดพยศในข้อที่ไม่รับสวมบงัง hiến นั้นพัฒาลิเมื่อใดม้าอาชาในพันธีตัวนั้นถูกฝึกเนืองเนืองและถูกฝึกซ้ำซ้ำซาก่ า, ก า, กากเข้าจนหมดพยศในข้อนั้นแล้วเมื่อนั้นคนฝึกม้าจึงทำการฝึก ม, ม้าตัวนั้นให้ยิ่ยงขึ้นไปในการเทียมแอกเมื่อม้านั้นถูกฝึกให้รู้จักการเทียมแอกอยู่ พยศต่างๆที่ม้าประพฤติเป็นค่าศึกเป็นหลักต่อเสษผิดริ้นรนเหมือนลักษณะของม้าที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้นก็ยังมีอยู่บ้างม้านั้นเพราะถูกฝึกเนืองๆและถูกฝึกซ้ำๆ ซ, ซักๆเข้าก็หมดพยศในข้อที่ไม่รับแอกนั้นพัทธาลิเมื่อใดม้าอาชาในพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองๆและถูกฝึกซ้ำๆ ซ, ซักๆเข้าจนหมดพยศในข้อที่ไม่รับแอกนั้นแล้ว เมื่อนั้นคนฝึกมา้าจึงทำการฝึกม้าตัวนั้นให้ยิ่งขึ้นไป 1. ในการแยกขากระโดดแผลวขึ้นพร้อมกับทั้งสีขา 2. ในการเอี้ยวตะแคงตัวเป็นวงกลมจนผู้ขี่หยิบอาวุธที่ตกดินได้ 3. ในการสามารถวิ่งโจดแต่ปลายกรีบจนไม่เกิดเสียง 4. ในความเร็วทั้งทีหนีทีไล่ 5. ในการไม่กลัวเสียงออกระเทิกทุกชนิด 6. ในการรู้คุณค่าของพระราชา 7. ในการทำตัวให้สมกับเป็นวงพระยามา้า 8. ในความเร็วเลิศ 9. ในความเป็นยอดมา้า 10. ในความควรแก่การฟังแต่คำที่นิ่มนวลพัทธาลิม้านั้นเพราะถูกฝึกเนือ ง, เนองและถูกฝึกซ้ำ ซ, ำ ซ, ำ ซ, ำซากเข้าก็หมดพยศ ต, ต่างๆในสิบข้อเหล่านั้นพัทธาลิ เมื่อใดม้าอาชาในพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองๆและถูกฝึกซ้ำๆเข้าจนกระทั่งหมดพยศทุกอย่างแล้วเมื่อนั้นคนฝึกมา้าก็ย่อมฝึกม้าตัวนั้นเพิ่มเติมให้ยิ่งขึ้นไปทั้งโดยคุณภาพและกำลังพัฒน์ลิม้าอาชาในพันดีที่ประกอบด้วยองคุณสิบอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพานะได้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 เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นอาศะสองเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะอันเป็นอาศะสามเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาอันเป็นอาศะสี่เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมากรรมันตะอันเป็นอาศะห้าเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะอันเป็นอเาศะ 6. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวายามะอันเป็นอาศะเจ็ เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสติอันเป็นอาศะแปดเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสมาธิอันเป็นอาศะเก้เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมายานอันเป็นอเาศะ 10. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติอันเป็นอเาศะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบสิบอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรเกิของบูชาควรเกิของต้อนรับควรแกิของทำบุญ ควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเอิ่นยิ่ยงกว่าพินัยกรรมของพระสังฆบิดาภิกษุทั้งหลายบัดนี้ตถาคตขอเตือนพวกเธอทั้งหลายไว้ว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดดังนี้นี้แหละเป็นพระวาจาที่ตรัสครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าหมวดที่19จบคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์จบ